แทกซี่ผีเฮียนย่านสาธรปิ่นเกล้าสัมผัสสยองย้อนกลับไปเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วสมัยที่เบิร์ตจะมีอายุได้สิบแปดปีตอนนั้น เบิร์ตยังเรียนกศนเทียบมอปลายอยู่แถวปากคลองตลาดช่วงที่เรียนเข้าปีสุดท้ายเบิร์ตนั้นมีเพื่อนอยู่ด้วยคนหนึ่งชื่อว่าเอ็มเอ็มมีแฟนชื่อบีบ้านของเอ็มนั้นจะอยู่ถนนบรมราชช น, นีแถวแถวปิ่นเกล้าส่วนบ้านของบีนั้นอยู่สาธรซอยเซนตหลุยช่วงนั้นเอ็มตั้งท้องได้อยู่ห้าเดือนโดยปกติแล้วทั้งสองคน ก็จะไปไปกลับกลับระหว่างสาธรและปิ่นเกล้าเสมอโดยอาศัยการนั่งแท็กซี่และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสุดหลอนครั้งนี้ที่ทั้งคู่ต้องจดจำไปจนวันตายวันที่เกิดเหตุนั้นเป็นเวลาประมาณตีสองตอนนั้นเอ็มกับบีอยู่สาธรแล้วที่บ้านบีก็มีธุระด่วนต้องกลับไปบ้านที่ปิ่นเกล้า ซึ่งระยะการเดินทางนั้นก็ไกลพอสมควรทั้งคู่ก็เลยเดินออกมาจากบ้านซึ่งบ้านจะอยู่ติดถนนในซอยและเวลาแบบนี้ในสมัยนั้นจะหาแท็กซี่ได้ยากมากยิ่งอยู่ในซอยด้วยทั้งคู่ก็รอประมาณ10นาทีได้แล้วก็มีแท็กซี่คันหนึ่งวิ่งผ่านมาทั้งคู่โบกสภาพภายนอกของรถนั้นดูดี สะอาดสะอ้านเป็นปกติทั่วไปพอแท็กซี่จอดทั้งสองคนก็ขึ้นไปนั่งที่เบาะด้านหลังด้วยกันทั้งคู่แล้วก็บอกจุดหมายปลายทางให้คนขับทราบ พ, พี่คนขับรถก็พยักหน้าตอบแล้วก็เริ่มออกรถทุกอย่างดูเป็นปกติดีหายในรถก็ปกติมองไปที่พี่คนขับก็เป็นคนตัวใหญ่ๆ ทุกอย่างดูเข้าที่เข้าทางพอรถเริ่มขึ้นสะพานสาทรมุ่งหน้าก็สู่วงเวียนใหญ่ต่างคนก็ต่างเงียบเนื่องจากง่วงด้วยกันทั้งคู่แถมเป็นเวลาเด็กมากแล้วด้วยพอช่วงที่รถแท็กซี่ลงจากสะพานสาทรก็เริ่มได้กลิ่นเหม็นกลิ่นนั้นค่อยๆเหม็นขึ้นเหม็นขึ้นจนผิดสังเกตเอ็มกับบีก็เริ่มมองหน้ากัน ตัวของบีเองนั้นรู้ว่ากลิ่นแบบนี้มันคือกลิ่นอะไรเพราะว่าบีก็เคยเข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่อาสาในมูลนิธิแห่งหนึ่งบีนั้นมีอายุมากกว่าเอ็มส่วนเอ็มก็เริ่มจะ ก, กลัวและวิตกกังวลเนื่องจากกำลังท้องอยู่ด้วยบีก็เลยโอบกอดเอาไว้พอรถขับเข้าวงเวียนใหญ่กลิ่นนั้นก็แรงขึ้น แรงจนเอ็มเกือบจะทนไม่ไหวอยากจะอาเจียนออกมาทั้งทั้งที่ไม่ค่อยแพ้ท้องจนถึงกับต้องหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาปิดจมูกกันบีก็เลยถามคนขับว่าพี่ครับพี่ได้กลิ่นอะไรไหมคนขับนั้นไม่ตอบได้แต่นิ่งเงียบและขับรถเพียงอย่างเดียวพวกเราก็เลยเงียบกันต่อไปรถแท็กซี่วิ่งไปทางสี่แยกบ้านแขก เลี้ยวเข้าถนนจเจริญพาดเพื่อมุ่งหน้าออกปิ่นเกล้าจู่จเอ็มกับบีก็ได้ยินเสียงดังดังมาจากนอกรถมันดังเหมือนกับว่ามีอะไรสักอย่างมากระแทกตัวรถเสียงดังเสียงที่ว่านั้นกําลังกระแทกประตูหลังที่คนทั้งสองกําลังนั่งอยู่เอ็มกับบีต่างมองออกไปด้วยความสงสัยก็เลยถามคนขับอีกครั้งว่า พี่ครับเสียงอะไรอ่ะดังเหมือนมีอะไรฟาดรถอยู่เลยพี่คนขับแท็กซี่ก็ไม่ตอบเหมือนเดิมขับรถเพียงอย่างเดียวรถนั้นมุ่งหน้าไปถึงแยกโพสามตนเอ็มก็เลยบอกกับบีว่าลงเถอะไม่ไหวแล้วจะเป็นลมบีก็เลยกระซิบข้างหูอดทนหน่อยอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วมันดึกมากหารถยาก เอ็มก็เลยต้องยอมอดทนต่อไปรถนั้นเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆประตูรถจากที่ปกติดีก็เริ่มมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นประตูรถทั้งสองด้านนั้นในตอนนี้เหมือนกับว่าปิดไม่สนิททั้งสองคนกอดกันแน่นจับมือกันไว้ต้องรอดต้องรอดมืออีกข้างของทั้งคู่ก็จับท้องของเอ็มอมาไว้ เนื่องจากห่วงเด็กขณะที่บีกำลังจะอ้าปากถามพี่คนขับก็ต้องตกใจถึงกับอึง้งเมื่อมองไปที่คนขับรถจากตอนแรกที่ดูปกติดีเห็นเป็นผู้ชายธรรมดาแต่ตอนนี้มองดูเหมือนไม่ใช่คนเนื่องจากบีนั้นนั่งด้านหลังฝั่งซ้ายมือของคนขับก็จะเห็นคนขับอยู่ตลอด หน้าตาที่เห็นด้านข้างนั้นมันบวมแล้วก็ชำ้ำแขนก็ชำ้ำตาซ้ายของพี่คนขับนั้นก็เป็นสีแดงระเรือ่อส่วนกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ที่ว่าก็ยิ่งชยตลบอบอวนหนักขึ้นบีนั้นถึงกับกลั้นความกลัวไว้ไม่อยู่และก็รู้ตัวแล้วว่ากําลังเจอกับอะไรบีขมใจอึดใจ ถามช้าๆสั้นๆดีๆว่าพี่ครับประตูปิดไม่สนิทหรือเปล่าประตูล็อตเหมือนจะหลุดนะพี่คนขับก็ยังไม่ตอบเหมือนเดิมยังคงมุ่งหน้าขับต่อไปส่วนเอ็มนั้นเริ่มที่จะร้องไห้งิบเงียบรถแท็กซี่ยังคงเคลื่อนตัวไปดานหน้าจนถึงเส้นปิ่นเกล้าเลี้ยวซ้ายผ่านแยกปิ่นเกล้า แล้วเสียงที่ดังพลึบๆอยู่นั้นก็ยิ่งดังที่ขึ้นเพะว่รถนั้นเริ่มขับเร็วขึ้นเมื่อบีมองออกไปนอกตัวรถก็ถึงกับนั่งตัวแข็งเนื่องจากเห็นที่มาของเสียงที่กำลังฟาดรถอยู่นั้นมันเป็นเชือกเส้นใหญ่สีขาวหลายๆเส้นเวลารถแล่นผ่านมันก็จะสะบัดฟาดกับตัวรถเชือกสีขาวนั้น กำลังสะบัดฟาดรถทั้งสองด้านในขณะที่รถก็ขับขึ้นสะพานข้ามแยกปิ่นเกล้าต่อไปคราวนี้รถก็เกิดเสียงดังกุกกุกกักกักอาการนั้นเหมือนกับล้อรถไม่ดีหรืออาจจะยางแบนส่วนเสียงเชือกก็ฟาดเอาฟาดเอาในรถก็สุดแสนจะเหม็นจนคนทั้งคู่รู้สึกแสบตา บีนั้นตัดสินใจถามคนขับรถอีกครั้งในความที่เริ่มจะโม โ, โหพี่รถพี่ปกติดีหรือเปล่าแล้วพี่เป็นอะไรไม่ยอมตอบผมกับเมียใจคอไม่ดีนะพูดอะไรหน่อยได้ไหมครับพอบีพูดจบทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมพี่คนขับนั่งเงียบขับอย่างเดียวจนกระทั่งรถนั้นไปถึงที่หมาย กำลังจะเลี้ยวเข้าซอยซึ่งซอยนั้นเป็นซอยตันพอรถเลี้ยวปุป๊บบีก็บอกให้คนขับนั้นจอดเนื่องจะถึงแล้วเดี๋ยวจะเดินเข้าไปในซอยบ้านเองพอพี่คนขับจอดรถบีก็ควักเงินจ่ายให้โดยที่พี่คนขับรถนั้นก็ทอนเงินกลับมาเป็นเหรียญบาททั้งหมด11บเเหรียญแต่ว่าบีนั้นไม่ได้สนใจเงินทอนเลย ก็รับรับมามือของบีสัมผัสกับมือของคนขับแต่ไม่ได้มองหน้าคนขับตอนที่รับเงินทอนบีรู้สึกได้ว่ามือของคนขับรถนั้นเย็นมากพอเสร็จจากการทอนเงินก็รีบออกจากรถตอนที่รถนั้นถูกเปิดออกก็พบว่าเชือกสีขาวๆที่อยู่ข้างรถมันจะมีเส้นใหญ่บางเส้นกั้นไว้บางเส้นก็ร่วงลงพื้น ประตูนั้นจึงเปิดได้ไม่กว้างมากแต่ก็พอจะออกได้เอ็มกับบีออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัยและปิดประตูทันทีที่ทั้งคู่ปิดประตูรถทั้งสองแทบจะล้มทั้งยืนช็อกแทบสติแตกก้าวขาไม่ออกไดแต่ยืนกอดกันแน่นมากขนหัวลุกด้วยกันทั้งคู่เอ็มนั้นหึงกับปลีกเสียงดังลั่นซอย เพราะสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าในตอนนั้นคือสภาพรถแท็กซี่ซึ่งไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นในตอนแรกสภาพรถในตอนนี้แย่มากเก่ามากโซ่เอามากๆล้อทั้งสี่นั้นแบนติดกับพื้นสีรถถลอกยับเยินไม่มีทะเบียนรถแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ดังคู่นั้นช็อกมากที่สุดก็คือบนหลังคารถ มีพวงรีดวางอยู่ท้ายกระโปงหลังประดับติดด้วยดอกไม้จันกระดาษหน้ารถก็มีพวงรีดเล็กๆวางรายร้อมพร้อมกับดอกไม้จันกระดาษสำหรับเอาไว้โยนเข้าเตาเผาในเมนส่วนเชือกสีขาวๆที่ติดตัวรถมาตลอดทางก็คือสายสินเส้นใหญ่หลายเส้นซึ่งถูกพันเอาไว้รอบคันรวมกับกลิ่นสก ที่กระพุ้งไปทั่วบริเวณแล้วรถแท็กซี่คันนั้นก็ขับเข้าไปในซอยเพื่อที่จะกลับรถออกมาทั้งเอ็มกับบียืนตรงตัวแข็งอยู่กับที่เนื่องจากก้าวขาไม่ออกทั้งสองกอดกันแน่นเอ็มร้องไห้จนเป็นลมบี B. ประคองเอ็มให้ลุกขึ้นมาและทั้งสองต้องรอลุ้นอีกรอบ ในขณะที่รถคันนั้นกลับออกมารถก็ผ่านพวกเขาไปอย่างช้าๆเมื่อบีมองเข้าไปยังที่นั่งของคนขับก็ต้องช็อกอีกครั้งเมื่อคนขับรถที่บีมองเห็นนั้นเป็นศพที่กำลังลืมตาตาแดงกำํำปากช้าเลือดตัวช้าไปหมดแล้วรถคันนั้นก็ค่อยๆขับแล่นออกไปจากซอย ทั้งคู่ยืนควบคุมสติอยู่พักใหญ่แล้วบีก็บอกกับเอ็มว่าให้ค่อยๆเดินก้าวขาแล้วหายใจลึกๆไม่ต้องวิ่งจนทั้งคู่เดินกลับไปถึงบ้านได้พอถึงบ้านเมื่อเอ็มได้เห็นหน้าพ่อก็ได้แต่ร้องไห้เอ็มกับบีทั้งคู่เหงื่อแตกสมกายหน้าตาขาวซีด พ่อและคนในบ้านของเอ็มก็ได้แต่ถามว่าทำอะไรมาทั้งคู่ยังไม่อยากเล่าแต่ขอเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ในตอนเช้าหลังจากนั้นทั้งคู่ก็รีบไปวัดทำบุญในตอนเช้าวันถัดมาแล้วก็ได้เอาเงินทอนที่เป็นเหรียญบาททั้งหมด11เหรียญไปทำบุญที่วัดทั้งหมดบีนั้นเป็นไข้ไปสองวัน แล้วหลังจากนั้นมาทั้งเอ็มและบีก็ไม่กล้าใส่รถแท็กซี่ในตอนกลางคืนอีกเลยสัมผัสสยอง